มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวนะคะวันนี้พบกันค่ะเป็นประจำทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8ป5 m h บกดเร์กับดิฉันดรนิสากรไพบุญสินค่ะ วันนี้ก็เริ่มในเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่อยู่กลางๆปีนะคะ 2,562 เป็นเดือนที่7ด เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะซึ่งทางยูเนสโกได้ประกาศนะคะในเรื่องของการเป็นมรดกโลกของสถานที่สำคัญทางทา ง, ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะซึ่งยูเนสโกก็ได้ทำเป็นประจำทุกปีนะคะโดยนะคะจะมีการคัดเลือกนะคะให้สถานที่ต่างๆทั่วโลกนี้เป็นแหล่งมรดกโลกมีการขึ้นทะเบียนเพื่อให้เห็นคุณค่าเป็นสากล น, นะคะต่อ มวลมนุษยชาติค่ะและในปีนี้นะคะคณะกรรมการมรดกโลกของย <g ul> ูเนสโกก็ได้จัดประชุมคัดเลือกแหล่งมรดกโลกครั้งที่43ขึ้นที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจันค่ะโดยนะคะระยะเวลาในการประชุมคัดเลือกนะคะก็ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมซึ่งก็เป็นในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประกาศรายชื <g ul> ่อแหล่งมรดก โลกแห่งใหม่นะคะประจำปีออกมานะคะยังไม่หมดนะคะซึ่งจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นวันที่10 ก, กรกฎาคมแต่วันนี้ดิฉันเอาเรื่องราวที่เป็นแหล่งมรดกโลกบางส่วนนะคะนำมาเสนอนะคะ <c oughs> เพราะว่าปีนี้นะคะในประเทศทางทวีปเอเชียใกล้บ้านเรานะคะก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่งด้วยกันนะคะ แหล่งมรดกโลกนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเ บ, บียนในปีนี้นะคะก็จะมีที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะคืออุทยานแห่งชาติวัดนาเยอร์คูที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความพิเศษมากเนื่องจากว่าเป็นทุ่งทานน้ำแข็งกราเซียที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และก็ใหญ่ในทวีบยุโรปเลยก็ว่าได้ค่ะ อุทยานแห่งชาติวัฒนาโยคูนี้มีขนาดที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาอุทยานแห่งชาติในไอซ์แลนด์แล้วก็กินพื้นที่เกือบทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่โด่งดังมากเนื่องจากว่าได้ล้อมเอาทานน้ำแข็งทั้งหมดนะคะเป็นทุ่งหิมะแล้วก็เป็นทุ่งหิมะที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มี ธรรมชาติที่สวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นท่านน้ำแขงแม่น้ำยอดเขานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาตินั่นก็คือว่าจะต้องมีคนพาเที่ยวนะคะพาชมอุทยานที่ไหนไปได้ที่ไหนอันตรายนะคะ อุทยานแห่งชาติวัดนา ย, ยคูจึงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่ามีสภาพภูมิประเทศที่งดงามน่าอัศจรรย์ใจแล้วก็เป็นที่ตั้งของหนึ่งในทานน้ำแข็งที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ประกอบไปด้วยทุ่งลาวาและแหล่งซากดึกดำบันนะคะจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะ มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นสถานที่ของธรรมชาติเช่นกันนะคะก็คือที่ French Southern และ Antarctic Land นะคะซึ่งก็เป็นดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งก็ได้รวมเอาดินแดนในทวีปแอนตาร์กติกที่ฝรั่งเศสอ้างกรรมสิทธิ์นะคะซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นโอ s อซิสกลางมหาสมุทรใต้ที่ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ แต่สถานที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวร น, นะคะมีเพียงแค่ทหารเจ้าหน้าที่พลเรือนนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะแต่นะคะประชากรที่อยู่นะคะอย่างถาวรแล้วก็มีมานานนะคะก็คือนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลนะคะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาอย่างหนานแน่นที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิงแ p น n วินนะคะซึ่งก็เป็นนกแพนควินขนาดใหญ่รองจากแพนควินจั ก, กระพัดค่ะเฟ Southern and Antarctic Land กนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในประเทศทางเอเชียนะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่สำคัญสำคัญนะคะก็ได้รับ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสถานที่ที่สวยงามนะคะก็คือที่ประเทศอินเดียโดยนะคะเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือเมืองชัยปูระชัยปูระเป็นเมืองเอกของรัฐราชสถานค่ะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในานามนาครสีชมพูชัยปูระเป็นเมืองป้อมปาการที่มีสถาปัตยกรรมงดงามนะคะ สิ่งปลูกสร้างบางแห่งอายุเก่าแก่เกือบ300ปีค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคิตศกราช1727โดยมหาราชาสวายีชัยสิงห์ที่สองชัยปูรัได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานะคะวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญนครชัยภูราของรัฐราชสถานเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกนะคะที่ได้รับการคัดเลือกโดยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมของอินเดียนะคะได้มีการถแถลงการเอาไว้นะคะว่า นครชัยปูระนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจากสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงทำให้อินเดียเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะที่มีอยู่ทั้งหมด38แห่งในปัจจุบันค่ะโดยแบ่งเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม30แห่งพื้นที่ทางธรรมชาติ7แห่งและพื้นที่ที่รวมทั้งสองอย่างอีกหนึ่งแห่งค่ะ เมื่อชัยปูราได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นมรดกโลกนายกรัฐมนตรีอินเดียนายเรินทรามูดีก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จดังกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าชัยปูราเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและความกล้าหาญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมมาสัมผัสความงดงามและความคึกคักค่ะ สถานที่อีกหนึ่งแห่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้เรียกว่าเป็นอ่าค่อนข้างที่จ ะ, ปะแปลกประหลาดนะคะด้วยรูปทรงแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นก็คือสุสานโบราณของญี่ปุ่นซึ่งนะคะอ่าเป็นสุสานโบราณที่มีลักษณะเป็นเนินดินปกคลุมหลุมศพ49แห่งมีอายุย้อนขึ้นไปนะคะอยู่ที่ศตวรรษ ที่สถึงศตวรรษที่6เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากนะคะอยู่ที่จังหวัดโอซากา้าประเทศญี่ปุน่นเนินดินที่ว่านี้นะคะคุณผู้ฟังมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันออกไปค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือสุสาน ร, ร, รูปรูกุญแจนะซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกนะคะซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามจากักรพรรดินินโทกุซึ่งเป็นหลุมศพขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะ ยูเนสโกมีมติในวันเสาร์ที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาให้สุสานโบราณขึ้นทะเบียนนะอยู่ในกลุ่มสุสานโบราณบงซุฟูรุอิจิซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะกลุ่มสุสานเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ของเมืองซาไกาเมืองฮาบิกิโนและเมืองฟูจิอิเดระของจังหวัดโอซาก้านะคะ มีเนินสุสาน ร, รวมกันทั้งสิ้น49แห่งและสร้างขึ้นระหว่างช่วงปลายศตวรรษที่4ถึงปลายศตวรรษที่5เ mm hmm. ชื่อกันว่าในจํานวนนี้นะคะสุสาน29แห่งเป็นที่บรรจุพระศพของอดีตพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีรวมถึงสมาชิกราชวงศ์ของญี่ปุ่นค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือสุสาน ร, รูปรูกุญแจที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระศพของพระจักรพรรดินินโทกุ สุสานแห่งนี้นะคะเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะคุณผู้ฟังคะมีความยาวทั้งสิ้น486เมตรค่ะและกลุ่มสุสานเหล่านี้ทั้ง49แห่งก็จะมีรูปร่างและขนาดต่างๆกันนะคะมีสุสาน ร, รูปรูกุญแจ11แห่งที่มีความยาวของเนินนะคะยาวถึง200เมตรแล้วก็มีสุสาน ร, รูปวงกลม4แห่ง สุสานที่มีลักษณะแตกต่างกันนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอำนาจที่แบ่งตามลำดับชั้นของอำนาจผู้ปกครองในช่วงเวลานั้นค่ะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ก, ก, ก็ระบุนะคะว่าสุสานขนาดใหญ่เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชั้นสูงในสมัยโบราณซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจประวัติศาสตร์ในญี่ปุ่น เทียบได้กับสุสานของจกักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ของจีนเนื่องจากมีสุสานหลวงของจกักรพรรดิพระองค์ต่างๆรวมอยู่ด้วยนะคะกลุ่มสุสานโบราณเหล่านี้จึงอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดไม่เปิดเผยต่อสาธารณาชนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มนักวิชาการนะคะและสมาคมด้านโบราณคดีแห่งญี่ปุ่นก็ได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้มีการเปิดให้สาธารณาชนเข้าชมกลุ่มเนินสุสานโบราณดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะและผู้เชี่ยวชาญก็ยังได้ระบุ ด, ด้วยนะคะว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีความหมายอันยิ่งใหญ่ในการสร้างรากฐานสาหรับ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้แล้วหวังว่าญี่ปุ่นจะดําเนินการเพื่ออนุรักษ์เนินสุสานเพื่อส่งต่อมรดกนี้ไปยังคนรุ่นหลังอีกด้วยค่ะและการขึ้นทะเบียนมรดกโลกสุสานโบราณนี้นะคะคุณผู้ฟังจึงทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเป็น19แห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ4แห่งค่ะ และหลังจากที่ได้มีการประกาศในวันที่6กรกฎาคมนะคะในวันรุ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากพากันมาเที่ยวชมกลุ่มเนินหลุมศพโบราณ น, นี้นะคะที่จังหวัดโอซาก้าทางตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะพบว่านะคะว่ากลุ่มสุสานโบราณโมชูฟูรุอิจิได้กระจายตัวครอบคุมเมืองสากายเมืองฮาบิกิโนะแล้วก็เมืองฟูจิอิเดระนี่นะคะ เป็นสุสานโบราณที่น่าทึ่งมากๆนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเองนะคะบอกว่าเมื่อได้เห็นของจริงเนี่ยถึงกับต้องตกตะลึงกับความใหญ่โตมโหรฬาเลยค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเห็นเพียงแค่รูปในหนังสือแบบเรียนเท่านั้นค่ะในนอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สถาน ในเมืองนะคะก็ไดย้ยังได้จัดในเทศการพิเศษขึ้นนะคะโดยการจัดแสดงข้าวของประมาณ300ชิ้นที่ขุดขึ้นมาจากกลุ่มเนินสุสานโบราณนี้นะคะหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนะคะก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันค่ะ แหล่งมรดกโลกต่อไปนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้นะคะก็คือนครบาบิโลนประเทศอิรักบาบิโลนนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่เรียนในหนังสือนะคะสมัยเด็กๆนี่จะพบว่าเป็นเมืองโบราณในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอิรักหลังจากที่นะคะรัฐบาลอิรักก็ได้วิ่งเต้นมาหลายทศวรรษนะคะให้เมืองโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกค่ะแต่นะคะที่ยืดเยื้อมาถึงสม 16ปีนี้นะคะก็เพราะว่า บาบิโลนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองของประเทศอิรักเองนะคะที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะจึงทําให้นะคะต้องใช้เวลามากถึง36ปีน ะ, ะโดยประเทศอิรักเนี่ยได้ยื่นให้นะครโบราณบาบิโลนเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี2526นะคะตอนนี้2562นกะคะก็เพิ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะว่านะคะการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะคุณ ก็ย่อมหมายถึงความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติและก็ได้รับการคุม้มครองจากสันีิสัญญาสากลค่ะ นครบาบิโรนนี้นะคะปรากฏขึ้นในช่วงศตวตรรษที่23ก่อนคริสตการนะคะมีชื่อเสียงมาจากส่วนลอยฟ้าอันด่งดังซึ่งก็เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณของโลกนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อวันที่5กระะกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6ในดินแดนเมโสโปเตเมียริมฝั่งแม่น้ายูเฟติสซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโลกค่ะ กับเรื่องนี้นะคะเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนค่ะประธานาธิบดีอิรักนายบาฮัมซารีนะคะก็ได้กล่าวอย่างปราบรื่มด้วยความตื้นตันนะคะว่าซากโบราณสถานของเมืองได้กลับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ถูกที่ถูกทางแล้วหลังจากที่ถูกละทิ้งมานานหลายปีนะคะจากผู้นำยุคก่อนๆ น, นะคะตั้งแต่สมัยซัดดัมฮุสเซนค่ะและนอกจากนี้นะคะ นายกรัฐมนตรีในอาเดลอับดูมาดีนะคะก็ได้บอกว่าเมโสโปเตเมียเป็นเสาหลักในความทรงจําของมนุษยชาติและของแหล่งกําเนิดอารยธรรมในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ค่ะและรัฐบาลอิรักนะคะก็จะจัดงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาและอนุรักษ์นครบาบิโลนอย่างจริงจังนะคะหลังจากที่ถูกคณะกรรมการติงมาหลายครั้งในเรื่องของการปกป้องสถานที่สําคัญแห่งนี้นะคะตัวนครบาบิโลนอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ไป85กิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อเคยเป็นศูนย์กลางของอาระยธรรมโบราณนะคะก็มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมหอคอยสวนลอยบาบิโลนนะคะซึ่งมีระบบชลประทานชักน้ําจากแม่น้ํายูเฟติสไปเป็นน้ําตกและนําไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปีนะคะตามพระบัญชาของพระเจ้าเนบูคสัสเนซารที่2แห่งกรุงบาบิโลเนียค่ะและเมื่อนักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะมาชมอาซากเมืองที่ปรากฏโครงสร้าง การก่ออิฐและโครนได้นะคะถึง10ตารางกิโลเมตรและสามารถเที่ยวชมรูปปั้นสิงโตแห่งบาบิโลและประตูเมืองดั้งเดิมอิชตาเกตนะคะเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นและแสงจะสาดส่องผ่านประตูทางเข้าอย่างงดงามติดตาตรึงใจนะค ะ, ละหลายๆท่านจะบอกว่าเอ๊สามารถไปเที่ยวชมได้ไหมได้เลยนะคะเนื่องจากว่านครบาบิลอนใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปเพียงแค่85กิโลเมตรเท่านั้น ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงนะคะให้สวยงามนะคะมีกำแพงเมืองสองชั้นมีคูมเมืองล้อมรอบนะคะแล้วก็นะค ะ, ะได้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะคะถือถือว่านะคะเป็นนครมหัศจรรย์ น, นะคะที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะ แหล่งมรดกโลกแหล่งต่อไปนะคะก็อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรพุ ก, กามนะคะหรือว่าอ่านครโบราณนะคะซึ่งก็เป็นอาณาจักรโบราณของประเทศเมียนมาที่มีความเจริญรุ่งเรืองในศตรวรรษที่9ถึง13นะคะ สุสานโบราณของญี่ปุ่นนะคะก็จะอยู่ที่ศตรวตรรษที่ 3- าถึงที่หนะคะแต่ส่วนที่พุ ก, กามนะคะที่ประเทศเมียนมานะคะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในศตรวตรรษที่9ก้ถึงสินะคะถือเป็นเมืองโบราณในภาคกลางของเมียนมาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีเนื่องจากว่ามีเจดีสี่พันองค์โดยในยุครุ่งเรืองนะคะพุ ก, กามเคยมีเจดีมากกว่าสี่พันองค์ค่ะแล้วนะคะเมื่อ ก่อนหน้านี้นะคะเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะคะก็ได้เจอกับแผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีทำให้โ บ, โบราณสถานต่างๆเนี่ยได้พังทลายลงไปนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของ รัฐบาลของเมียนมานะคะก็ได้มีการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมนะคะให้เป็นสถานที่นะคะที่ยังคงความงดงามนะคะทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมด้วยเจดีย์ที่เก่าแก่วัดแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะโดยนะคะรวมนะคะ เมืองฮุกามนะคะุได้รวมนครโบราณประยูรนะคะสแห่งคือเมืองฮาลินเมืองเบกทโนและเมืองสีเกษตรนะคะซึ่งอยู่ในเขตเมืองสกายเมืองมาเกลและเมืองพาโคเข้าด้วยกันนะคะจึงผลักดันให้เมืองฮุกามเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะซึ่งในปีนี้นี่นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะแต่เมื่อปี2016นะคะเมื่อเจอกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายให้แก่ เจดีนะคะกว่า389องค์นะคะทางรัฐบาลเมียนมา ก, ก็ได้มีการบูรณะฉุกเฉินนะคะภายใต้ระยะเวลา4ปีแล้วก็ทําการยื่นเรื่องเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะซึ่งก็มีเขตวัฒนธรรมโบราณพุกามเจดีโบราณกว่า 3,000 องค์แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่มีอายุกเก่าแก่กว่าพันปีนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชมได้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศเมียนมาค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อผู้การเนี่ยได้รับ การคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกนะคะรองอธิบดีประจำกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมของเมียนมานายอาการจอบอกว่าเมียนมา ก, ก็จะมีการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นที่เมืองมะลักอูในรัฐยะไข่ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งมรดกโลกก็ใกล้ๆบ้านเราก็คือทุ่งหหิน ทุ่งหยหินเป็นแหล่งโบราณคดีนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของหินใหญ่ที่กระจายไปทั่วที่ราบสูงเชียงขวางที่อยู่แขวงเชียงขวางทางภาคเหนือของเราค่ะประกอบไปด้วยหินใหญ่น้อยนะคะรูปทรงคล้ายหายนับพันเลยค่ะ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าไ ห, หินหยุเก่าแก่ย้อนกลับไปในยุคเหล็กและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่ามีการค้นพบวัตถุกเกี่ยวกับงานศพและเครื่องเคลือบรอบๆไหหินถือเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีสําคัญที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็นะคะฝ่ายบริหารแขวงเชียงขวางก็ได้ร่วมกับกรมมรดกและผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกได้มีการ บูรณะนะคะทุ่งหิยหินนะคะให้เป็นแหล่งมรดกโลกก่อนที่จะเสนอขึ้นทะเบียนนะคะเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลประเทศอิตาลีก็ได้สนับสนุนเงินทุนแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมขุดค้นสำรวจทุ่งหหินพร้อมกับกองโบราณวิทยาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือ5ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ได้มีการยืนยันว่าทุ่งไหหินเป็นสถานที่ฝังศพของคนโบราณแล้วก็ได้มีการขุดค้นสำรวจอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าทุ่ง ห, หินนี้นะคะก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านทางด้านนี้นะคะ ทุ่งหยหินเป็นที่ตั้งของหินใหญ่นะคะรูปทรงหอยอายุระหว่าง 2,500 ถึง 3,000 ปีจำนวนนับพันลูกค่ะปรากฏเป็นกลุ่มกระจัดกระจายอยู่ตลอดแนวเขาและล้อมรอบหุบเขาสูงทั่วที่ราบสูงเชียงขวางนะคะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของปีนี้ก็ได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ใต้ดินบริเวณทุ่งหยหินนะคะแล้วก็นะคะสันนิษฐานว่าอาจมีอายุประมาณ2 0 0 0 3 0ถึงปีของการค้นพบครั้งนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยนะคะที่ทุ่งหยหินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่3ของประเทศนะคะโดยอรองจากหลวงพระบางและวัดภู อีกแค่งนึงนะคะซึ่งได้รับการประกาศนะคะอย่างสดๆดร้อนๆอนเลยนะคะก็คือที่มณฑลเจ้อเจียงนะคะประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ประกาศออกมานะคะเมื่อวานนี้นะคะว่า เมืองโบราณเหลียงจู่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศจีนนะคะโดยให้เหตุผลของการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณเหลียงจู่เป็นมรดกโลกนะคะเนื่องจากสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทของแม่น้ําแยงซีที่สะท้อนกระบวนการพัฒนาอารยธรรมของจีนและแสดงถึงประโยชน์ห ล, หลายด้านในด้านของการวางผังเมืองในยุคต้นการเริ่มต้นก่อสร้างเมืองและเมืองโบราณเหลียงจู่แห่งนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จ อย่างใหญ่หลวงในประวัติศาสตร์เพราะว่าสามารถที่จะขุดพบเมืองโบราณ น, นี้นะคะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอารยธรรมจีนกว่า 5,000 ปีแล้วก็ตลอดทั่วเอเชียตะวันออกด้วยค่ะก็ปถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะที่ ที่ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวานนี้นะคะถือได้ว่าสดสดร้อนร้อนเลยนะคะก็คือที่เมืองโบราณเหลี่ยงจู้มณฑลเจ้าเจียงค่ะทีนี้กลับมาบ้านเรานะคะคุณผู้ฟัง ตอนนี้นะคะที่บ้านเรานะคะโดยกรมการข้าวก็ได้พัฒนาต่อยอดการปลูกข้าวผสานเทคโนโลยีค่ะถ้าหากว่านะคะวันในเดือนที่แล้วนะคะเมื่อต้นเดือนนะคะวันที่5้ิพุนายมเนี่ยก็จะมีการจัดริเทศการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่กรมการข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้มีการจัดเทศกาลในเรื่องนี้นะคะซึ่งก็เป็นการทำนาวิถีใหม่ผสมผสานเทคโนโลยีซึ่งกรมการข้าวได้พัฒนาต่อยอดให้ชาว เข้าร่วมนะคะโดยสามารถที่จะทำได้เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นการลดก๊าสเดือนกระจกนะคะและ เรื่องนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเยอรมันภายใต้ชื่อ Thai Rice นามาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนะคะก็จะมี4กิจกรรมด้วยกันที่จะต้องปฏิบัตินะคะก็คือการปรับหน้าดินด้วยแสงเลเซอร์คือใช้เครื่องเลเซอร์วัดระดับและควบคุมกระบะเกลี่ยดินจนกระทั่งหน้าดินแปลงนาราบเรียบเสมอกัน การทำนาบแบบเปียกสลับแห้งใช้ท่อ PVC ขนาด4นิ้วมีรูเจาะรอบตัวช่วยให้เกษตรกรให้น้ำกับข้าวในระยะที่ข้าวต้องการเท่านั้นและหยุดให้น้ำในระยะที่ไม่จำเป็นกิจกรรมที่3ก็คือการใช้ปุ๋ยตามคำ การวิเคราะห์ค่าดินนะคะซึ่งก็เป็นการเก็บตัวอย่างดินในแปลงนามาส่งวิเคราะห์หาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อประเมินปริมาณปุ๋ยที่จะใช้ตามความจําเป็นเท่านั้นและสุดท้ายก็คือการจัดการฟางและต่อสางนะคะโดยใช้น้ําหมักย่อยสลายฟางและต่อสางแทนการเผานะคะก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยค่ะ ในเรื่องนี้นะคะดออรอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาที่ปดีกรมการข้าวได้อธิบายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโครงการไทไรส์นามาก็คือการปรับหน้าดินด้วยแสงเลเซอร์ที่เป็นกระบวนการมีค่าใช้ใจ่ายราวๆ 2,200 บาทต่อไร่นะคะและส่วนที่ประหยัดไปก็คือปุ๋ยสารเคมีน้าและ การคำนวณต้นทุนนี้ก็จะลดลงอย่างมหาศาลค่ะเช่นช่วงนาปลังหรือช่วงปลูกข้าวนอกฤดูฝน12ล้านไร่ที่บริหารจัดการน้ำได้นะคะก็สามารถที่จะลดต้นทุนให้กับผู้ปลูกหรือชาวนาได้ค่ะ โครงการไทยไรซ์นานานี้นะคะคุณผู้ฟังมุ่งเน้นส่งเสริมกรเกษตรกรให้ทำนายอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะโดยเริ่มต้นจากชาวนาในพื้นที่เขตชระทาน6จังหวัดภาคกลางนะคะก็คือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาปทุมธานีและสุพรรณบุรีนะคะซึ่งก็มีพื้นที่ ปลูกข้าวอยู่ที่ 2.8 ล้านไร่ค่ะซึ่งนะคะเคเกษตรกรในโครงการที่เข้าร่วมในโครงการไทยไรซ์นานานี้นะคะสามารถที่จะผลิตข้าวคุณภาพดีแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้ค่ะโดยชาวนาคนหนึ่งก็คือนายบุญริตบอกว่าเขาไม่ได้พาเกษตรกรร่ำรวยนะคะขั้นแรกของชาวนาก็คือต้องหมดหนี้ก่อนแล้วก็มีเงินเก็บนะคะ ตอนนี้นี่นะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกพึงพอใจมากกับการมีอาชีพเกษตรกรนะคะจากเดิมที่เคยทอแทนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขามีความรักธรรมชาติเพิ่มขึ้นเขาสามารถที่จะปลูกข้าวรักโลกนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาขอเพียงกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะคิดทําใหม่แล้วก็จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพค่ะ คุณผู้ฟังคะในเรื่องนี้บ้านเรานี่กำลังค่อนข้างที่จะตื่นตัวนะคะในเรื่องของการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเราไม่ได้ทิ้งของเดิมที่ที่เคยทำนะคะแต่ว่าเรามาต่อยอดนะคะสิ่งที่เคยทําแล้วก็ให้มันประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะการปลูกข้าวเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและสหรัฐ อเมริกาได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการปลูกข้าวนะคะแต่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากเพราะว่าบรรยากาศของโลกเรานี่นะคะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เข้มข้นเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พื้นอาหารหลักของโลกเนี่ยคือข้าวเนี่ย มีคุณค่าของพชนักการเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นทัญพืชอื่นๆคล้ายๆข้าวน ะ, ะอย่างเช่นพวกข้าวโพดหรือว่าข้าวบารเลย ข, ข้าวไร้นี่นะคะก็จะสูญเสียวิตามินแล้วก็แร่ธาตุลงไปมากนะคะเนื่องจากภาวะผิดปกติในการสั่งคอสแสงนั่นเองค่ะ โดยศาส ต, ตราจารย์คิสตี้อิบซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะวิจัยนะคะบอกว่าเขาได้ทดลองปลูกข้าว18ชนิดในแปลงปลูกกลางแจกงนอกห้องปฏิบัติการในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นโดยจัดให้ต้นข้าวอยู่ในบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นถึง568ส่วนในล้านล้านส่วนนี่นะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เข้มข้นกว่าบรรยากาศโลกในปัจจุบันอยู่ที่410 PPM ผลปรากฏว่าข้าวในแปลงทดลองดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาใช้ในการสั่งข้อแสงเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเกินกว่าระบบเผาผ่านของพืชจะรับไหวจึงทําให้คาร์บอนสะสมในเมล็ดข้าวมากและต้นข้าวกลับใช้รากดึงเอาสารอาหารจากในดินซึ่งเป็นที่มาของวิตามินและแร่ธาตุน้อยลงค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่มีการเร่งแก้ไขระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกซึ่งมีแนวโน้ม จะเพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะจะทำให้ประชากรโลกหลายพันล้านคนซึ่งกินข้าวเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนที่บริโภคแต่ธัญพืชเป็นส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นลำดับแรกนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณค่าของพภอชนาการลดลงก็คือปริมาณโฟเลตหรือว่าวิตามิน B9 ในข้าวลดลงมากที่สุดถึง 30% เอร์เซนแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อมารดาและทารกในครรภ์อีกด้วยเนื่องจากว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยให้ทารกจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์นะคะไม่พิกลพิการค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้าวที่นำ ม, มาฝากวันนี้นะคะ ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม